โรงเรียนหลอนซ่อนแอบตู้เสื้อผ้าสยองขวัญสัมผัสสยองเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งขอไม่บอกชื่อเป็นเรื่องราวของรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่าอีบ ซึ่งเป็นรุ่นน้องของเราเองโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนประจำในทุกเช้าจะต้องมาเข้าแถวให้ทันเวลาอย่ามาสายเพราะทนักเดียนคนไหนที่ถูกจับได้ว่ามาสายหรือไม่มาเข้าแถวในตอนเช้าก็จะถูกทำโทษหน้าเสาธงต่อหน้าเพื่อนๆซึ่งสร้างความอับอายให้เป็นอย่างมากในวันหนึ่งรุ่นน้องของเราได้แอบหนีการเข้าแถวในตอนเช้า และหลบอยู่หลังห้องไม่ยอมลงไปเพราะว่าตื่นสายแต่งตัวไม่เสร็จทำให้ลงไปไม่ทันเพื่อนร่วมห้องนอนของอีฟก็บอกว่าวันนี้จะมีอาจารย์เวนขึ้นมาตรวจไม่กลัวโดนจับได้เหรออีฟก็บอกไปว่าเราจะแอบในตู้เสื้อผ้าแล้วให้พวกแกล็อกตู้เอาไว้จะได้ดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ในตอนนั้นเราก็อยู่ในเหตุการ์ด้วยเลยถามน้องไปว่า เข้าแถวกันนานนะจะรอได้เหรอตู้มันร้อนนะเว้ยอีฟก็ยืนยันแจแอบในตู้แถมกําชับย้าว่าให้ล็อกตู้เอาไว้เข้าแถวเสร็จก็อย่าลืมรีบมาเปิดให้ด้วยนะพอคุยกันจบเสียงกริ่งเข้าแถวก็เริ่มดังพวกเราทุกคนรีบจัดแจงยัดอีฟเข้าตู้ตู้เสื้อผ้าของที่นี่นั้นมีลักษณะเป็นแบบเดียวกันหมดซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยจะเป็นตู้ไม้ประตูสีขาวสองบานปิดเข้าหากันหลังจากที่เสียงกริ่งดังเราทุกคนก็รีบวิ่งลงไปเข้าแถวเราเข้าแถวจนเวลาล่วงเลยไปนานเกือบชั่วโมงแล้วทุกคนก็เป็นห่วงอีบกลัวว่ามันจะหายใจไม่ออกเพราะตู้เสื้อผ้านั้นมีขนาดเล็กและค่อนข้างอบอ้าวแต่ก็พอจะมีช่องไว้ให้หายใจได้ ตอนนั้นเราเองและเพื่อนของอีฟก็เป็นห่วงมากมองหน้ากันกับพวกน้องๆด้วยความกระสับกระส่ายและแล้วเวลาเลิกก็มาถึงพอหมดเวลาเข้าแถวพวกเราก็รีบวิ่งขึ้นห้องกันเลยน้องๆรีบเอากุญแจไขตู้เปิดให้อีฟออกมาพอเปิดตู้ออกมาภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นทำให้พวกเราช็อกมาก อีฟนั้นสุดอยู่ตรงพื้นตู้เหงื่อแตกท่วมตัวและหายใจรวยรินเหมือนกำลังจะขาดใจตายพวกเรารีบดึงตัวอีฟออกมาจากตู้แล้วหายาดมยาหมองมาเปิดพัดลมเป่าให้สักพักอีฟก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังมากจนเรากับรุ่นน้องที่เป็นเพื่อนร่วมห้องนอนของอีฟต้องรีบปิดปากเอาไว้กลัวว่าคนอื่นหรืออาจารย์จะได้ยินและรู้ความจริงเข้า แต่อีฟก็ยังคงตัวสั่นและร้องไห้ไม่หยุดทั้งยังมีอาการหวาดระแวงมองซ้ายทีขวาทีเหมือนกลัวอะไรสักอย่างเราได้ถามอีฟว่าเป็นอะไรใจเย็นๆตั้งสติก่อนพวกพี่อยู่ที่นี่แล้วแล้วอีฟก็กอดเราแน่นและบอกกับเราว่าออกไปจากห้องนี้ก่อนได้ไหมตอนนั้นเราก็มองหน้ากันกับรุ่นน้องอีกคน แล้วก็พากันลงไปชั้นล่างเมื่ออีฟเริ่มมีสติกลับคืนมาก็เริ่มเล่าให้เรากับเพื่อนร่วมห้องของนางฟังว่าตอนที่ทุกคนลงไปหมดแล้วและปิดประตูห้องบรรยากาศภายในตู้มันก็เงียบมืดและอบอ้าวแต่ก็ยังพอมีช่องจากประตูของตู้เสื้อผ้าให้พ่อได้มองเห็นและหายใจได้ซึ่งช่องนั้นจะอยู่บริเวณหน้าผา สามารถขย่งตัวมองออกจากช่องของตู้ได้เวลาผ่านไปประมาณ20นาทีก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินผ่านหน้าห้องซึ่งตู้ที่อีฟแอบอยู่นั้นจะติดกับประตูทางเข้าห้องซึ่งตอนนั้นประตูห้องปิดอยู่แล้วเสียงเดินที่ได้ยินนั้นมันก็ดังชัดมาก ในใจก็คิดว่าต้องเป็นอาจารย์เวณที่มาจับเด็กนักเรียนที่โดดเข้าแถวแน่ๆขณะที่อีฟแอบมองอยู่ว่าอาจารย์จะเปิดประตูเข้ามาไหมสักพักประตูก็ค่อยๆเปิดออกตอนนั้นนางบอกว่านางลุ้นมาก จนไม่กล้าแอบมองผ่านช่องนั้นเลยก็เลยนั่งยองๆแอบฟังเสียงอยู่ในตู้เพราะกลัวว่าจะถูกจับได้เลยยอมนั่งเงียบๆและร้อนๆ อ, อยู่อย่างนั้นแล้วเสียงเดินนั้นก็ยังคงเดินวนเวียนอยู่ภายในห้องมันเป็นเสียงเหมือนกับการเดินลงส้นเท้าที่หนักมากและเสียงดังมากตอนนั้นยีฟก็สงสัยว่าถ้าไม่เจอใครแล้ว ทำไมอาจารย์ยังไม่ออกไปอีกแ้มเสียงเดินนั้นก็ยังมาวนเวียนอยู่บริเวณตู้ที่อีฟหลบอยู่อีฟค่อยๆลุกอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้มีเสียงแล้วแอบมองลอดช่องของประตูตู้เสือ้อผ้าเพื่อจะมองว่าอาจารย์เขาทำอะไรอยู่กันแน่แต่เมื่อนางมองออกไปก็พบว่าคนที่อยู่หน้าตู้นั้นเป็นผู้หญิงผมยาวปรบาบบ่าผมปิด จนมองไม่เห็นหน้าตาเธอใส่ชุดคอกลมสีขาวเก่าๆสวมกระโปรงสีดำแล้วเธอคนนั้นก็กำลังเดินหันข้างก้มหน้าและเดินกลับไปกลับมาผ่านหน้าตู้ของอีฟอยู่อย่างนั้นตอนนั้นอีฟคิดว่าถ้าเป็นอาจารย์มาตรวจถําไม่เจออะไรก็ควรจะลงไปได้แล้วไม่ใช่เหรอในขณะที่นางคิดอยู่นั้นสายตาก็มองออกไปสักพัก เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้แล้วเธอคนนั้นก็หยุดเดินอีฟตกใจสะดุ้งเฮือกหอมกับเอามือปิดปากตัวเองเพื่อไม่ให้เพออูทานหรือมีเสียงอะไรหลุดลอดออกไปอีฟเริ่มรู้ล้ ว, ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคืออะไรทันใดนั้นเองเธอคนนั้นที่ยืนหันข้างอยู่ก็เอียงคอหันมามองตรงตู้ที่อีฟแอบดูอยู่อีฟช็อกมาก เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่คนแน่ๆใบหน้าของเธอคนนั้นเละไปครึ่งซีแววตาขาวโคลนและดุมากมันดูเหมือนกับว่าเธอคนนั้นจะรู้ว่าอีฟกาลังแอบมองอยู่เมื่ออีฟตั้งสติได้ก็รีบลงไปนั่งยองๆและภาวนาขอให้เธอคนนั้นไปจากตรงนั้นเสียทีไม่นาน อีฟก็ได้ยินเสียงประตูค่อยๆปิดลงพร้อมกับเสียงเดินที่หายไปตอนนั้นอีฟน้ำตาไหลร้องไห้แต่ไม่ให้มีเสียงแล้วภาวนาอยากให้พวกเรากลับมาไวๆในขณะนั้นนางก็สงสัยอยู่ว่าผูห้หญิงคนนั้นเธอออกไปจากห้องหรือยังนางจึงค่อยๆพยุงตัวในตู้แคบๆเพื่อลุกขึ้นมามองผ่านช่องของประตูอีกครั้ง แต่พอนางมองลอดออกไปก็แทบจะทําให้หัวใจวายเพราะมีดวงตาคู่หนึ่งที่มองลอดกลับเข้ามาจากด้านนอกเหมือนกันอีฟกรีดสุดเสียงและหวังจะให้ใครก็ตามที่อยู่แถวนี้ได้ยินเสียงแต่มันช่างโชคร้ายเหลือเกินเพราะไม่มีใครเลยที่ได้ยินเสียงของอีฟทุกคนลงไปเข้าแถวข้างล่างกันหมดแม้กระทั่งอาจารย์เวนเอง ก็ไม่อยู่แถวนั้นเลยแล้วอีฟก็เริ่มหายใจไม่ออกเหมือนกําลังจะเป็นลมในขณะเดียวกันนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็รู้แล้วว่ามีคนอยู่ในตู้แล้วเริ่มเขย่าตู้เหมือนกับว่าจะพยายามเปิดตู้ให้ได้อีฟหมดแรงที่จะส่งเสียงร้อง ได้แต่นั่งพนมมือร้องไห้อยู่ในตู้แล้วอีฟก็อ่อนแรงลงเรื่อยๆเหมือนกําลังจะตายจนกระทั่งพวกเราเสร็จจากการเข้าแถวก็ขึ้นมาไขประตูตู้ให้อีฟออกมาอีฟบอกว่าช่วงเวลาที่อยู่ในตู้นั้นมันรู้สึกนานมากและจะจดจำไปจนวันตายจะไม่โดดเข้าแถวอยู่ในห้องคนเดียวอีกแล้วแล้วหลังจากนั้น นางก็ย้ายออกจากโรงเรียนนี้ไปเลยสัมภัสสยอง